มารดาบิดาไม่อนุญาต28ถึงกระนั้นมารดาบิดาของเขาก็คงยืนยันว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นท่รักที่ชอบใจของพ่อแม่จเจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จักถึงลูกจะตายไปพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้เล่าลูกกินเถิดลูกสุทินจงกินจงดื่มจงรื่นเริงจงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภคทรัพย์ทําบุญเถิดถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้ลูกบวชแน่มารดาบิดากล่าวอย่างนี้สุธินกลันทบุตรได้นิ่งเฉยเสียมารดาบิดาได้ยืนยันกระสุธินกลันทบุตรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สมว่า ลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นท่รักที่ชอบใจของพ่อแม่ลูกสุทินจงกินจงดื่มจงรื่นเริงจงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภกทระซั์ทําบุญเถิดถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้ลูกบวชแน่สุทินกรันตบุตรได้นิ่งเป็นครั้งที่สาม